ก่อนหน้านั้นอะความรู้เกี่ยวกับสารมืดหรืออะไรพวกนี้มันเป็นอันโนนอันโนนคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไม่รู้อะไรว่างเปล่าเลยมันแ l a n k แบบอเราไม่เคยมีคําใบ้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้เลยแต่ในปัจจุบันเนี้เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรมันกลายเป็นโนนอันโนนคือเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรบ้างซึ่งมันเป็นความไม่รู้ที่เราก้าวหน้ามันเป็นความไม่รู้ที่เราฉลาดขึ้นอะดังนั้นความไม่รู้เนี่ยเพราะว่ามันมีหลายระดับและการยอมรับว่าเราไม่รู้เนี่ย <laughs> You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. in the world, l u Physics podcast, w i s s e n s nerd nerd, that will take you to the world of physics from o e ส า, สารไม่มีวันหายไปจากโลกใบนี้ค่ะหลายๆคนจะพูดแบบนั้นนะคะแล้วสาสารมืดล่ะคะมันหายไปมันมีอยู่หรือว่าเรายังไม่รู้จักมันนะคะถ้าเราบอกว่ามีอะไรที่มนุษย์เรายังไม่รู้เนี่ยก็คงจะมีอีกหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ส า, สารมืดก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะวันนี้นะคะอยู่กับฟังรัเทรโรจิพนาค่ะและผมปองแปงอัดวรงจันทมาศครับ สะสารมืดเนี่ยเป็นตอนที่หลายๆคนคอมเมนต์มาค่ะพี่ป <c oughs> องแปงว่าเขาอยากอยากให้ทําตอนนี้มากๆเราก็เลยตามใจสปอยนะคะแต่ทีนี้ฟังอยากถอยกลับมาก่อนที่เราจะไปที่สะสารมืดว่าถ้าเราย่อมันเอาคําแรกก่อนว่าสะสารเนี่ยมันคืออะไรคะพี่ปองแปงคําว่าสะสารเป็นคําที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจําวันนะก็ ชัดเจนนะฮะมันก็คือสิ่งที่ประกอบขึ้นจากพนุภาคมีมวลมีตำแหน่งแห่งที่ชัดเจนอย่างเงี้ย ต, ตั้งแต่ตัวเราก็เป็นสาสารใช่ตัวเราเป็นสาสารโต๊ะแท็บเบลต็ตต่างๆเนี่ยเป็นสาสารอากาศเป็นสาสารอันนี้ ม, มีความชัดเจนนะครับเออแต่คําว่าสาสารไม่หายไปจากโลกเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกในระดับหนึ่งในชีวิตประจําวันนะแต่ถ้านักบินอวกาศไปยังดวงจันทร์แล้วเขาทิ้งของไปบนดวงจันทร์เนี้ยมันก็หายไปจากโลกไปอยู่บนดวงจันทร์เข้าใจสมมุติเอ ปราบางอย่างก็แล้วกันเวลาเวลาสสารบางอย่างมันวิ่งมาชนกันเนี่ยมวลมันหายไปได้อะอะไรแบบนั้นนะแต่โดยทั่วไประดับชีิตประจวันมันก็มันก็ไม่หายอืมโอเคแล้วถ้ามาที่คาว่าสสารมืดมันมันทำไมถึงเป็นสิ่งที่เป็นสสารแห่งความไม่รู้ทำไมถึงเรียกมันแบบนั้นผมคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจนที่เราจะพูดว่าการค้นพบสสารมืดเนี่ย มันทำให้มนุษย์ตระหนักได้เลยว่าบางทีสิ่งที่เรารูา้อาจจะเป็นแค่หยดน้ำหยดเดียว mm. แต่สิ่งที่ไม่รู้อาจจะเป็นเหมือนมหาสมุทร mm. ย้อนกลับไปประมาณปี1930นะฮะมีนักดาราศาสตร์ชื่อคุณฟริดสวิกกี้คุณฟริดสวิกกี้เนี่ยศึกษาโคมาคล u สเตอร์หรือกระจุกกาแล็กซีโคมาแล้วพบความผิดปกติบางอย่างก่อนจะไปเจอว่ามันผิดปกติยังไง เรามาดูก่อนว่าโคมาคลัสเตอร์หรือกระจุกกาแล็กซี่เนี่ยคืออะไ ร, อ, อ, ะไรอ่าก็ปกติเราอยู่บนโลกเนาะโลกของเราโครจรรอบดวงอาทิตย์อ่าแล้วดวงอาทิตย์ของเราก็เป็นดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เนี่ยบางทีมันเกาะกลุ่มกันเป็นกระจุกดาวฤกษ์อะไรเงี้ยฮะก็แล้วแต่บางตัวก็ไม่เกาะบางตัวก็เกาะแต่ถ้าถ้าดาวฤกษ์อยู่กันใหญ่มากๆเป็นหมู่บ้านแห่งดาวเนี่ยเราเรียกโครงสร้างนี้ว่ากาแล็กซีอืซึ่ง ดวงอาทิตย์อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกถูกต้องครับปิ้งปองโอเคทีนี้กาแล็กซีเนี่ยบางทีก็อยู่เดี่ยวๆหรืออะไรแต่มันมีหลายกาแล็กซีที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหมายถึงว่าหลายๆกาแล็กซีรวมกันใช่เขาเรียกว่ากระจุกกาแล็กซีบางทีก็อยู่เป็นหลักร้อยหลักพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกกาแล็กซีคล t สเตอร์นะทีนี้กาแล็กซีคล t สเตอร์ก็มีหลายคล u สเตอร์ค่ะคุณฟริตโซวกี้เนี่ยไปศึกษาตัวที่เรียกว่าโคมา กาแล็กซีคลัสเตอร์นะเราค้นพบว่ากาแล็กซีที่มันอยู่บริเวณขอบขอ บ, ขอบคือมันก็เกาะกันเป็นกลุ่มเนาะตัวที่อยู่ขอบขอบเนี่ยเขาเจอความผิดปกติตรงที่มันไม่ควรที่จะโคจรเคลื่อนที่เร็วอย่างเี้ดีกว่ามันไม่ควรจะเคลื่อนที่เร็วอถามว่าทําไมมันไม่ควรจะเร็วมากขนาดนั้นคําตอบก็คือถ้ามันเร็วมากเนี่ยมันน่าจะหลุดกระเด็นอไม่น่าจะเกาะกลุ่มกับเพื่อนใช่มันไม่น่าจะอยู่กับเพื่อนได้ ด้วยแรงดึงดูดเนี่ยมันน่าจะมีความเร็วแค่ได้แค่ค่าหนึ่งที่ควรจะไม่เกินจากนั้นมากอะไรเงี้ยถ้ามันเร็วเกินกว่านั้นอคือเราลองนึกถึงเครื่องปั่นผ้าครับเวลาเอาผ้าปียกๆใส่เข้าไปให้มันหมุนปั่นเร็วๆอ่ะหยดน้ำมันก็กระเด็นออกมาเนาะอ่าซึ่งไอตัวกาแล็กซีเนี่ยมันก็มีหลายกาแล็กซี่ถ้ามันเร็วมากๆมันต้องหลุดกระเด็นสิแต่ในความเป็นจริงมันมันยังกากลุ่มมันอยู่กับคลัสเตอร์มันเกาะกลุ่มอยู่กับเพื่อนใช่ใช่มันเกาะกลุ่มได้ยังไงค่ะนะมันเป็นเรื่องที่ประหลาาดมก คุณฟิสซวิกกี้ก็เลยตั้งสมมุติฐานว่าหรือมันจะมีสะสารที่เราไม่ได้สังเกตเห็นไม่เปล่งแสงไม่ทำปฏิรรยากับแสงกับอะไรพวกนี้อยู่คอยดึงดูดให้เหล่ากาแล็กซี่เนี่ยมันกลายเป็นกระจุกได้ อ, อะไรพวกนี้เหมือนเหมือนเรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่ตรงนั้นใช่โอ้มันลึกลับกว่า อากาศอีกนะคืออากาศเนี่ยเราตรวจจับอากาศได้หลายวิธีมากมันเปล่งแสงได้ถ้าโดนความร้อนโดนอะไรคือมันเป็นแก๊สนะฮะแต่ตัวนี้เหมือนมันไม่ไม่ทำปฏิกิยากับแสงกับอะไรมีแค่แรงโน้มถ่วงนะครับอันนี้เป็นสมมุติฐานของคุณคุณฟิดสวิกกี้แล้วในหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีการเจอปรากฏการลักษณะเนี้ยกับกาแล็กซีคลัสเตอร์อื่นๆอีกแต่ในยุคคุณฟิดสวิกกี้เนี่ยคนไม่ค่อยเชื่อยังไม่ค่อยได้รับความสนใจแบบอะไรมากมายเพราะว่าการวัดเนี่ย มันดูจะยังไม่ค่อยมีความชัดเจนแม่นยำอะไรมากมายน ะ, ะ, นะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่บางทีอาจจะเป็นผลจากการวัดไม่แม่นก็ได้อะไรเงี้ยคนก็พากันพูดกันนะแต่พอในช่วงประมาณปี1970เนี่ยมันเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นมาแล้วโดยนักดาราศาสตร์สาวชื่อคุณเวล่ารูบินนะครับเป็นนักดาราศาสตร์สตรีผู้สังเกตตอนแรกสั ง, ส ง, สงเกตกระจุกกาแล็กซี่หลายๆกาแล็กซี่แต่คราวนี้สังเกตกาแล็กซี่เดียวแล้วมันหมุน แปลว่ามีมีอะไรบางอย่างเหมือนกันเกิดขึ้นอ่าในลักษณะเดียวกันเดี๋ยวลองดูรูปก่อนนะครับค<ะ>่ะให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนกาแล็กซี่ที่เราอยู่คือทางช้างเผือกเนอะมีลักษณะเป็นจานนะครับดวงอาทิตย์ก็อยู่ตรงขอบด้านหนึ่งของของจานซึ่งมันหมุนนะฮะคือบางคนเข้าใจว่าทางช้างเผือกอยู่เฉยเฉจริงๆทางช้างเผือกก็หมุนรอบตัวเองนะครับกาแล็กซีใดๆก็มีการหมุนรอบตัวเองของมันแต่ทีนี้ในการหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซี่ ที่คุณเวล่ารูบินเจอเนี่ยนะครับบริเวณขอบเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเร็วอีกละโดยโดยแรงโน้มถ่วงของนิวตันนะฮ ะ, ะพบว่าโดยการคํานวณแล้วเนี่ยบริเวณขอบขอบเนี่ยถ้ามันจะเกาะกลุ่มกันได้ความเร็วมันต้องมันจะต้องต่ำตํำๆหน่อยแต่วัดออกมาจริงๆเนี่ยไม่ต่ําครับ ม, มันดันมีความเร็วสูงเกินกว่าที่คํานวณไว้ประหลาดไหมมันก็เลยก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทําไมมันถึงไม่เป็นไปตาม ไปตามกฎกแรงโน้มถ่วงของนิวตันตอนนั้นคนเริ่มสนใจจริงจังมากๆแล้วคือแบบการวัดนี้มันมันมันชัดเจนมาก<ฆ>ออก็มี2สมมติฐานหลักๆในยุคนั้นที่เชื่อกันเลยก็คือเฮ้ยหรือมันมีสสารที่เรามองไม่เห็นไม่ทำปฏิกิริยากับแสงหรืออะไรที่เราที่เราคุ้นเคยนะครับเรียกสสารมืดความประหลาดก็คือสสารมืดนี้ถ้ามีจริงนะฮะมันจะเยอะกว่าสสารที่เรามองเห็นด้วยตาหลายเท่า S <S <S <ม>คือมันเยอะมากๆคือไม่ใช่มีนิดๆหน่อยๆมีเยอะกว่าหลายเท่าแต่ส่งแรงโน้มถ่วงมาน ะ, ะอันนี้คือสมมติฐานที่หนึ่งเรื่อง<ะ>สาสารมืด อ, อีกสมมุติฐานนึ่งคือเฮ้ยสาสารมืดไม่มีหรอกกดแรงโน้มถ่วงต่างๆเนี่ยจะต้องถูกปรับเมื่ออยู่ในสเกลของพวกกาแล็กซีหรือพวกกาแล็กซีคลัสเตอร์อเราต้องไปปรับกฎฟิสิกส์ต่างหๆอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าแนวคิดนี้เรียก modify gravity ก็แล้วกันเรียกสั้นๆอย่างนี้แล้วอะไรทําให้เรา เออหรือว่านักฟิสิกส์เองเนี่ยเขายังเขายังทำการศึกษา ส, สารมือดอยู่อะคะ่ะแปลว่ามันมีมันมีเงื่อนงำาอะไรบางอย่างไหที่ทำให้คนพบว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นตามพิษฎีที่หนึ่งอ๋อทุกวันนี้โดยกระแสหลักเราเชื่อว่ามีสารมืดนะฮะแนวคิดเรื่อง m o d i f y g r a าวิตีถามว่ามันยังมีไหมมันก็ยังมีคนพยายามศึกษาอยู่แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะณนะปัจจุบันเลย เราเชื่อว่ามีสาสารมืดแบบจำลองต่างๆมองว่ามีสาสารมืดจริงเพราะในช่วงหลังจากคุณเวลารูบินเจอเนี่ยก็มีคนเจ อ, อเยอะเลยนะฮะว่าการบุญของกาแล็กซี่มันมีความผิดปกติจริงๆแต่มันมีอยู่ปรากฏการหนึ่งที่ออกมาทำให้ m o d i f y Gra าฟิตเนี่ยตายเป็นเบือเลยเกิดอะไรขึ้นคะเขาเรียกว่าปรากฏการณ์บู l เลต์คลัสเก็คือกระจุกกาแล็กซี่กระจุกเนี่ยมันพมาชนกันคือลองนึกภาพว่า เราวิ่งชนกับเพื่อนเนี่ยก็เจ็บนะผมเคยวิ่งเล่นกับเพื่อนตอนเด็กๆแล้วชนกันเนี่ยโอ้โหแบบทรมานอ่ะแบบชนกันแรงอืแล้วก็บางทีผมปั้นจักรยานแล้วไปชนกับอะไรสักอย่างก็แรงมากอืแต่เนี้ยเป็นกระจุกกาแล็กซี่ชนกันอืขึ้นนึกถึงว่าเราอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกสมซูน่ะแตมีแบบเราอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยเป็นกระจุกแล็ก้วชนกันพุ่งมาชนกันอเป็นปรากฏการณ์ที่ที่น่าสนใจมากออื ก่อนจะไปถึงผลลัพธ์การชนว่าเกิดอะไรขึ้นเ ร, เราไปดูกันดีกว่าว่ากระจุกกาแล็กซี่เนี่ย ม, มันมีอะไรเป็นองค์ประกอบในนั้นบ้างก่อนอนะหนึ่งเลยกระจุกกาแล็กซี่ก็ต้องมีกาแล็กซี่ <laughs> ถ้าไม่มีกาแล็กซีก็ไม่ใช่กระจุกกาแล็กซี่ถูกไหมเราก็เรียกกระจุกกระจุกกระจุกมนุษย์กระจุกอะไรไป <laughs> ใช่ไหมกระจุกกาแล็กซี่ต้องมีกาแล็กซี่อยู่นะครับซึ่งกาแล็กซีเนี่ยก็จะมีพวกดาวเลือกดาวอะไรเหมือนข้างๆเผือกเนี่ยแต่ไม่หมดเลยนะแต่มวลส่วนใหญ่ของกระจุกกาแล็กซี่ไม่ได้อยู่ที่กาแล็กซี่ ม, มันไปอยู่ที่อย่างที่สอ ง, งก็คือแก๊สที่มันอยู่ระหว่างกาแล็กซีต่างๆ<น>คือกระจุกกาแล็กซีเนี่ยนึกภาพนะสมมุติว่าไปไปสา ว, สว่ายน้ำครับ<น>แล้วก็มีพวกแบบห่วงยงห่วงยางลูกบอลอะไรเงี้ย<น>ลอยอยู่เต็ม<อ>ไปหมดอ่าแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะ่ะไอ้ลูกบอลที่ลอยลอยอยู่พวกเนี้ยอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกาแล็กซี<น>ส่วนน้ําที่มันโปร่งเบาเหล่านั้นเนี่ยนะครับพวกเนี้ยก็คือแก๊สที่มันกระจายอยู่<น>รอบๆพวก กาแล็กซีต่างๆซึ่งตรงนี้มวลเยอะมากบางทีเยอะเป็นสิบเท่าเป็นอะไรพวกนี้ยคือเยอะมากๆเลยนะแปลกดีนะมวลส่วนใหญ่ของกระจุกกาแล็กซีไปอยู่กับแก๊สซะงั้นออืและอย่างที่สามก็คือสารมืดซึ่งในตอนนั้นเราไม่รู้ว่าไอ้อย่างที่สมีจริงหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือแก๊สจะมีเยอะแน่ๆนะครับทีนี้พอมันพุ่งมาชนการเกิดอะไรขึ้นดูรูปครับซึ่งดูแถวๆสีน้ําเงินนะถ้าแถวสีน้ําเงินเนี่ยก็จะเห็นว่ามีพวกกาแล็กซีอะไรพวกนี้กระจายกันไปหมดเลยถูกไหม ซึ่งก็ไม่ได้นอกเหนือความคาดหมายอะไรคือการชนแล้วมันน่าจะแบบกระจายออกคือการชนเนี่ยมวลส่วนใหญ่มันไม่ได้ไปอยู่ที่กาแล็กซี่ดังนั้นกาแล็กซี่ส่วนใหญ่พอชนกันมันก็ไม่ทําอะไรกันเพราะมันอยู่กันอย่างเบาบางมากคือตัวกาแล็กซี่เนี่ยลองนึกภาพอย่างที่บอกครับเหมือนลูกบอลที่กระจายอยู่ในน้ํานิดหน่อยพอสา์น้ำมาใส่กันลูกบอลมันก็พุ่งผ่านกันไปมันไม่มันไม่ชนกันหรอกนะดังนั้นกาแล็กซี่ต่างๆก็ ทะลุผ่านกันไปเหมือนไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีแรงโน้มถ่วงส่งกันนิดหน่อยไม่ไม่เท่าไหร่นะคะไอ้ที่มันจะส่งผลต่อกันจริงๆคือแก๊สต่างหากแก๊สเนี่ยเป็นมวลส่วนใหญ่พอมันพุ่งชนกันเนี่ยก็เหมือนน้ำนะมันก็กระแทกกันแล้วมันก็เสียดสีกันมันก็มันก็ตกค้างอยู่แถวๆตรงกลางนี้พวกชมพูชมพูเนี่ยคือแถวๆที่มีแก๊สอยู่เยอะนะครับ แต่ส่วนที่เป็นมุ่งมุ่งเนี่ยก็คือบริเวณที่มีกาแล็กซีอยู่เยอะซึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นจุดสว่างสว่างของกาแล็กซีแต่ไม่หมดเลยนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันทําให้เรารู้จักกาแล็ก่ยังไงอก็คือในภาพเนี้ยดูด้วยตาเปล่าก็เห็นว่าแก๊สมันก็ชนกันแล้วก็อยู่ก็กองกองอยู่ตรงกลางกลางพวกกาแล็กซีก็ทะลุผ่านกันไปไม่ได้มีอะไรผิดปกติอะไรดูดูไม่น่าจะบอกอะไรได้แต่มันมีปรากฏการณ์หนึ่งเขาเรียกว่ากราฟิเตชโน l เลน s i n g เลนความโน้มถ่วงโอ้คืออะไรคะคืออันเนี้ยเราจะใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอสไตน์แล้วตรงเนี้ยอธิบายแบบง่ายๆหน่อยก็คือว่าแสงที่มันเฉียดแรงโน้มถ่วงเข้มมากๆนะครับมันจะมีการเดินทางเป็นเส้นโค้งได้คล้ายๆกับตอนแสงมันวิ่งผ่านเลนในรูปนี้เนี่ยพอเขาวิเคราะห์นะครับแสงจากแบ็กกราวของรูปเนี้ย พอมันวิ่งผ่านพวกกาแล็กซี่ต่างๆเนี่ยมันจะเกิดการบิดนิดหน่อยนะไอการบิดนิดหน่อยเนี่ยพอวัดปุ๊บมันจะทำให้เราคำนวณได้ว่ามวลของสสารส่วนใหญ่มันไปกองอยู่ตรงไหนแล้วเรื่องหน้าทึ่งมันคือว่าพอศึกษา gravitational lensing แล้วเนี่ยนะครับเราดันเห็นว่ามวลส่วนใหญ่มันไปกระจุกอยู่ตรงแถวสีม่วงน้าเงินน้าเงินเนี่ยแปลว่าอะไรจริงๆไอตรงที่มันเป็นสีน้ำเงินน้าเงินเนี่ย มันไม่ใช่แก๊สมันเป็นพวกกาแล็กซี่มันต้องมีมวล น, น้อยสิเออในเมื่อเราบอกว่าเอ้ยมันต้องมวลมันไปอยู่ที่แก๊สใช่ไหมใช่แต่มวลส่วนใหญ่ที่เจอจาก gravitational lensing เนี่ยมันเันไปอยู่แถวม่วงๆน้ำเงินน้าเงินก็เท่ากับว่านี่แหละคือสาสารมืดมันทะลุผ่านกันโดยไม่ทำอะไรไง แปลว่าไอ้ตรงที่มันมีมวลเยอะๆเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นอยู่อยู่ถูกต้องนั่งไงสาสารมืดแต่มันไม่ได้ดํานะครับถ้ามันดําเราต้องเห็นแล้วว่ามันมันเป็นอะไรใช่ป่ะแต่นี่มันมันไม่อินเทอร์แอค์ไม่ส่งปฏิกิริยากับใครนอกจากแรงโน้มถ่วงแล้วมันก็ทะลุผ่านผ่านกลุ่มแก๊สกลุ่มอะไรมารวมอยู่กับพวกกาแล็กซี่ต่างๆเนี่ยอือต่นนี้แรงโน้มถ่วงมันไม่ไปกระจุกอยู่กับแก๊สละมันไปมันเหมือนทะลุผ่านกันไป โดยอะไรที่มันมองไม่เห็นนะมันออกไปเป็นหลุมสองข้างอย่างเงี้ยเท่ากับว่าแก๊สที่กองอยู่ตรงกลางกลายเป็นมวลส่วนน้อยซะ ง, งั้น ม, มวลส่วนใหญ่กลายเป็น ม, มันแยกออกไปมันเป็นสสารมืดดังนั้นทุกวันนี้สรุปก่อนแล้วกันแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาเอกภพนะครับแบบจําลองเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเอกภพของกาแล็กซีอะไรเนี่ยเราเชื่อ ว, ว่าสสารมืดมีจริงใช่แล้วก็จากการศึกษาเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยสสารที่เรารู้จักกันดี คือคำว่าสารสารผม อ, อธิบายอย่างนี้ก่อนเวลาเราเรียนวิชาเคมี Me. อ่ชอบเคมีไหมโอเคขอบคุณ ค, คือตะกีะก้กแค่ยิ้มก็รู้แล้วนะครับเคมีเนี่ยมันจะมีตารางธาตุอยู่ตารางธาตุนี่ก็เป็นสาสารที่เราคุ้นเคยต้องท่องอ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดจริงๆก็ไม่ค่อยน่าท่องเหรนะแต่ว่าอ่าโอเคก็ท่องไปบ้างเนาะมันก็จะมีสาสารต่างๆที่เราเข้าใจรู้จักในชีวิตประจำวันนะครับสาสารในตารางธาตุเนี่ยยังไม่ใช่สาสารทั้งหมดที่นักฟิสิกส์รู้จัก มันเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นจริงๆความรู้ฟิสิกส์ทุกวันนี้มันขยับขยายขอบเขตออกไปถึงสิ่งที่เรียกว่าสแตนดาร์ดโมเดลละซึ่งมันก็จะมีอนุภาคต่างๆที่นอกเหนือไปจากตารางธาตุนะฮะเช่นพวกนิวตริโนมิวออนทาวอะไรพวกเนี้ยน ะ, ะช่ามันเถ อ, อะมีดับเบิลยูอขึ้นไปอี ก, อกใช่เรียกว่าสแตนดาร์ดโมเดลหรือแบบจําลองมาตรฐานแต่สารที่เรารู้จักดีนะครับด้วยฟิสิกส์ทุกวันนี้ที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเป็นแค่หเปอร์เ ของมวลพลังงานในเอกภพสสารมืดเนี่ย 27% ่สิอรนะ<อ>ก็มากกว่าประมาณ5เท่าอะห5าห้ายี่้าใช่ไห ม, มคือเยอะกว่ามากๆแล้วนอกจาก 27% ที่เป็นสสารมืดกับก <5 S 2> ที่เรารู้มันคืออะไรอีกคะคือพลังงานมืด<ะ>หรือดาร์คเอเนจีพลังงานมืดหมายถึงไงคะหลอดวันดูโมเออวันดูเคมดาม ไม่ไมพลังงานมืดเนี่ยเกี่ยวข้องกับอัตราการขยายตัวของเอกภพนะครับอันนี้ก็ในอนาคตก็แล้วกันเป็นอีกตอนหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันก็มีรายละเอียดของมันนะจะเห็นว่าสสารสสารมืดพลังงานมืดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการทําความเข้าใจเอกภพในระดับภาพรวมและที่มันน่าทึ่งอย่างที่ผมบอกคือลองนึกภาพในช่วงปี1 9 3 0งเราเห็นอนุภาคใหม่ๆเรามีทฤษฎีควอนตัมมีสมพัฒนภาพทั่วไปค่ะ เราไม่แคละคายเลยว่ามันมีสสารที่เรามองไม่เห็นอยู่ ม, มนุษยชาติเหมือนอยู่ในเหมือนอยู่ในเรืออืที่มีไฟสว่างอยู่แล้วก็มองไปการแล็กซี่อื่นก็เห็นไฟสว่างของเขาอะไรพวกนี้แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าแบบเรือมันลอยอยู่ในน้ำมหาสารเลยคือเป็นสสารมืดใช่ ม, มันประหลาดมากโอเหมือนสิ่งที่เรารู้มันเล็ก แค่นิดเดียวยมีปริมาณน้อยใช่ อ, อืแล้วทีนี้ตอนนี้นะักฟิสิกส์เขาศึกษาอะไรเกี่ยวกับสารมืดอยู่อะคะเขาไปเจออะไรต่อไหมคะจากนั้นถ้าทุกวันนี้เลยนะฮ ะ, ะก็เราค่อนข้างจะเชื่อเทมาทางความเชื่อที่ว่าสารมืดมีแหละมีอยู่มีมแต่ทีนี้คําถามคือมันประกอบจากอนุภาคแบบไหนเป็นตัวเป็นตนอย่างไรตรอยาก ร, รู้จักมันมากขึ้นเนาะอยากรู้จักมากขึ้นในระดับรากฐานค่ะเขาก็พยายามสร้างแบบจาลองเ<ๆ>ช่น ว, ว่าหรือมันเกิดจากหลุมดําจิว๋ว หุมดําจิว๋วบางสมมติฐานก็ว่าอย่างนั้นะนะครับบางสมมุติฐานก็บอกหรือมันเป็นอนุภาคแบบประหลาดๆเช่นนิวตริโนที่มีความที่ไม่ทำปฏิกิริยาผ่านแรงอย่างอื่นนอกจากแรงโน้มถ่วงหรือเป็นอนุภาคอีกแบบหนึ่งเลยที่เรียกว่าซ u เปอร์พาร์เนอร์หรือเปล่าหรือเป็นอะไรพวกนี้ก็มีแบบจำลองที่เชื่อว่าสารมืด อ, อาจจะเป็นสิ่งต่างๆนี่ก็เป็นหนึ่งใน อันซลปโรบเลมในฟิสิกส์นะฮะว่าสสารมืดเนี่ยคืออนุภาคชนิดไหนอย่างไรกันแน่ <Ha. S 1> อันนี้ก็เป็นก้อนหนึ่ง <Ha. S 1> อีกสายหนึ่งเลยคือพยายามทำการทดลองตรวจจับให้ได้ว่าสสารมืดอ่ะมันอินเทอร์แลกกับอนุภาคบนโลกของเราได้อย่างไร hmm. หรือส่งปฏิกิริยาได้อย่างไรอะไรเงี้ย <Ha. S 1> วิธีตรวจจับก็ลงทุนมหาศาล hmm. ใช้เงินมากมายหนึ่งในวิธีตรวจจับก็คือเขาเอาแก๊สซีนอนเหลวนะครับ ซีนอนนี่เป็นแก๊สเฉยถามว่าทำไมต้องใช้แก๊สเฉืยเพราะมันเฉืยถ้ามันไม่เฉ่ยมันอาจจะไปทําปฏิกิริยากับชาวบ้านได้ oh. เขาก็พยายามเอาแก๊สที่มันเฉยแล้วที่เลือกซีนอนทำไมไม่เอาฮีเลียมคําตอบคือเพราะซีนอนเนี่ยเป็นแก๊สเฉยที่มีนิวเคลียสใหญ่แล้วก็สเสถียร น, oh. นะทีนี้เข้าเอาแก๊สซีนอนเหลวเนี่ยไปฝังไว้ในพวกแบบพวกใต้ใต้ดินใต้ภูเขาอะไรพวกนี้นะ mm. เป็นหลักใหญ่ฝังไว้แบบหลายตันอนะประมาณ5้าห mm. ตันเลยอ แล้วก็รอให้สารมืดจากแหล่งต่างๆในเอกภพเนี่ยมันพุ่งมาชนโอ้ฝังไว้ในโลกบนโลกนี้ใช่ไหมคะบนโลกนี้ใช่รอให้มันชนแล้วก็ถ้าชนมันก็จะเกิดอะไรบางอย่างที่เราก็จะตรวจจับเจอค่ะแล้วผลปรากฏว่าไม่เจอถึงวันนี้ก็ยังไม่เจออ๋อก็ยังฝังไว้อยู่อย่างนั้นอยู่ใช่แล้วก็มีการพยายามอัปเกรดเช่นอาจจะสีนอนน้อยไปหรือเปล่าลยอะไรเงี้ย ก็มีการพยายามอัพเกรดเครื่องด้วยวิธีต่างๆฮะแต่แต่ความไม่เจอเนี่ยสาหรับผมผมว่ายิ่งใหญ่นะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเอาไปฝังไปแบบนั้นอะไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดตริยากับใครนะครับมันก็ยังเกิดตริยาอยู่แต่เขาต้องตัดเอาปิริยาอื่นๆที่มันไม่ใช่สาสัตร์มืดเนี้ยออกไปให้ได้ซึ่งมันเท่ากับว่ามนุษย์เราเนี่ยรู้ธรรมชาติต่างๆของเอกภพมากพอสมควรมากพอที่จะตัดออกไปได้และเราสังเกตได้อย่างไม่ใบแอสมาพอสมควรซึ่งนี่เป็นเรื่องน่าภูมิใจนะไม่ใช่ว่าแบบ เจอโนเจอนั่นแล้วก็โมเมไปว่าไปเองใช่อันนี้คือเราค่อนข้างชัดเจนคือกระบวนการของนักฟิสิกส์มันชัดเจนมากว่าความไม่เจอเนี่ยมันไม่เจอจริงๆริงคือรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่แบบเราต้องการหาคําตอบอยู่ตอนนี้อะไรแบบนี้ใช่ก็อย่างนั้นไปนะครับแต่ตอนเนี้งานวิจัยก็อย่างที่บอกพยายามหาว่ามันตัวตนมันคืออะไรกันแน่แล้วก็ทดลองให้เจอว่ามันอินเทอร์เน็หรือส่งไปรษริยากับใครได้บ้างอะไรแบบเนี้นะครับ ถ้าถ้าดูตามเว็บข่าวเขาก็จะมีอัปเดตพี่ป๋องแปลงว่าแบบไอ้เนี่ยมีทําแผนที่สะสารมืดใช่ไหมแล้วฟัง อ, อ, อยากรู้ว่าแล้วเราทําไมถึงทําแผนที่ได้ ท, ทั้งที่เรายังตรวจจับมันไม่เจอด้วยซ้ำคือจริ ง, รงๆเราเจอผ่านผ่านแรงโน้มถ่วงออไปอ่านมาใช่ไหอเห็นแบบข่าวเออขาก็มีอัปเดตกันใช่ก็พยายามทําแผนที่สะสารมืดในกาแล็กซี่อะไรพวกเนี้ว่ามันกระจายอยู่แบบไหนอย่างไรซึ่ง เ, ออเราทําแผนที่ได้ด้วยเพราะเราตรวจจับแรงโน้มถ่วงของสะสารมืดที่ส่งผลต่อสิ่งต่างๆนะครับ ผ่านโรเตชันเคิร์ฟของการบุ่นของกาแล็กซี่บ้างผ่านอย่างที่บอก Gravitational l เ n s i n g บ้างอะไรบ้างหรืออย่างกลางปี2023เนี่ยถ้ามันไม่เลื่อนนะฮะก็มีการจะมีการส่งกล้องโทรทัศน์ชื่อยูคลิดยูคลิดนี่คุ้คุณไหมชื่อใครใครค่ะยูคลิดเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ยุคโบราณมากเลยนะคิดเลขาข้ิทต่างๆให้เราเรียนนะครับขอบคุณยูคลิดแล้วก็เขาจะส่งกล้องส่งกล้องโทรทัศน์ยูคลิดเนี่ยโดยองค์กร อากาศยุโรปนะฮะหรืออีซ่าออกไปเพื่อที่จะตรวจจับพวกสารมืดแล้วก็พ ล, พลังงานมืดใช่โดยเฉพาะเป็นหลักเลยเพื่อที่จะไขปริศนาให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับแบบ ว, ว่าก็มีความพยายามในการที่จะรู้จักค้นพบแล้วก็ได้ได้ศึกษามันมากขึ้นเนาะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้แอ บ, บถามได้ไหมว่าถ้าเกิดสมมุตินะว่ามันไม่มีอยู่หมายความ<อ>ว่าถ้าในอนาคตเราพยายามนั่นนู่นนี่ถ้าเรา ไม่เจอมันสักพีอะไรอย่างเงี้ยหรือมันไม่มีอยู่มันมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี้ยเราค่อนข้างเชื่อว่าสารสื่มืดมีจรงิงงานวิจัยก็เทมาทางนี้แต่ในอนาคตสมมุติว่ามีเรามีหลักฐานชัดเจนว่าสารสื่อมืดไม่มีหรอกอืเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่แบบใหญ่มากผมว่าน่าจะยิ่งใหญ่กว่าตอนเราค้นพบไม่เจออีเซอร์อในช่วงประมาณปีพันเก้าร้อยแถวนั้นนะฮะถามว่าทํำไมยิ่งใหญ่คําตอบคือเพราะว่างานวิจัยต่างๆทุกวันเนี้ย มันมาทางนี้อ่ะมันก็ต้องได้รับการปรับหมดเลยรวมทั้งธรรมชาติที่จะมาอธิบายส า, สารมืดอนะ่ะแต่ไม่เอาสาสารมืดเนี่ยก็หมายความว่ากดแรงโน้มถ่วงทั้งหมดมันต้องถูกปรับขนาดใหญ่ในสเกลใหญ่มากๆดังนั้นมันเรื่องใหญ่มากพอคุยกันวันนี้ยการที่เราเห็นความไม่รู้ของตัวเองอย่างเงี้ยมันมันให้อะไรกับ คนที่แบบสนใจฟิสิกส์หรือว่ามนุษย์อย่างเราๆบ้างเออพูดถึงความไม่รู้เนี่ยมันมีหลายระดับมันมีนักปรัชญากรีกเคยกล่าวไว้ว่าไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรอะ่ะถือเป็นความรู้ในช่วงก่อนปีหนึ่งเก้าสามูน่อนคุณฟริดสวิกกี้เจอความผิดปกติของกระจุกกาแล็กซีโคมาเนี่ยนะครับเราความรู้ต่างๆเรื่องนี้มันคืออันนนนนนเลย เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไม่รู้อะไรเพราะเราไม่เคยเจออะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งนี้แต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นโนนอันโนนคือเรารู้แล้วว่าเราไม่รู้อะไรเนื่องไหมฮะคือตอนแรกเราแบงค์เลยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้คือเราเรารู้แล้วว่าเราไม่รู้อะไรก่อนหน้านั้น่ะความรู้เกี่ยวกับสารสนมหรืออะไรพวกนี้มันเป็นอันโนนอันคือเราไม่รู้ด้วยซ้ว่าเราไม่รู้อะไรว่างเปล่าเลยมันแบ a n แบบเราไม่เคย มีคำใบ้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้เลยแต่ในปัจจุบันนี้เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรมันกลายเป็นนอนอันนอนคือเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรบ้างซึ่งมันเป็นความไม่รู้ที่เราก้าวหน้ามันเป็นความไม่รู้ที่เราฉลาดขึ้นน่ะนะดังนั้นความไม่รู้เนี่ยผมว่ามันมีหลายระดับและการยอมรับว่าเราไม่รู้เนี่ยมันถือเป็นความรู้ น่าสนใจมากเลยค่ะฟังว่าวันนี้การที่ฟังเห็นไอตัวเลข5เปอร์เซ็นต์นั้นว่าเฮ้ยท่ามกลางความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เรารู้สึกว่าเอ้ยมนุษย์เราเนี่ยมาไกลมากแล้วนะแต่จริงๆแล้วเรารู้แค่5เปอร์เซ็นตะ์ะเออมันมีอีกมากมายที่นอกเหนือจาก ที่เรารู้ในตอนนี้นะคะซึ่งสิ่งนี้ฟังว่ามันเป็นความสนุกแหละของรายการที่เราได้คุยกันด้วยนะคะใครที่ดูใดๆในโลกโลฟิสิกส์ตอนนี้แล้วคิดเห็นยังไงลองพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe นะคะ YouTube c h a ของ l ขอ The Standard s t a n d a r d Podcast เพื่อติดตามต้อนใหม่ๆแล้วก็มารู้ในเรื่องที่เราไม่รู้ไป พ, พร้อมๆกันในตอนอื่นๆ อ, อีกนะคะแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ในทุกๆ Podcast Player เลยนะคะวันนี้ไปก่อนลคะค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ